ขอเจรินพรท่านผู้อำนยการโรงพยาบาลสาวให้ะแพทย์พยาบาลและสาธิชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านก่อน nữa, อืออาตมาก็ขอแสดงอุทิตาจิตต่อทางอุคลากรในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลเสาให้ได้มีอายุครบ14ปีและกำลังจะขึ้นปีที่15ขณะเดียวกันนะโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่เป็นมงคล น, นอกจากจะขึ้นปีที่15สำหรับบุคลากรของโรงพยบาลเสาให้แล้วนะก็ยังเป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในทางธรรมเนียมนะของคนปัจจุบันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ชวนแกการชื่นชมยินดีและในรรทางศาสนาก็ถือว่าการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างบ้านขึ้นบ้านหลังใหม่หรือว่าการเปิดบริษัทเปิดร้านใหม่หรือว่าวันเกิดเพื่อที่จะ ได้ก้าวสู่ชีวิตใหม่รวมทั้งการที่ครบกำหนดของกิจการที่เราจะได้เริ่มดาเนินการก้าวไปสู่ปีใหม่อย่างเช่นโรงพิบาลนะก็กำลังจะก้าวไปสู่ปีที่15ก็เป็นธรรมเนียมที่เราจะทำในสิ่งที่เป็นสิริงมงคลนะซึ่งในวันนี้นะก็ได้มีการ นิมนต์พระม า, าสวมดมนต์แล้วถวายสังฆทานด้วยเป็นกัรก็นินมนตพระมาแสดงธรรมทั้งหมดนี้เพื่อให้เกิดเป็นสี่วงคลมําหรับการเริ่มต้นปีที่15แล้วก็เริ่มต้นปีใหม่สำหรับทุกท่านให้เึ่นไปในทางที่มีงามเกิดความ เป็นสิริมงคลเพื่อได้ประสบกความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและการทางานการมาการาสแสดงธรรมในวันนี้นะก็ถือว่าเป็นส่วนของการเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ทุนท่านที่เป็นผุ้ธราบอนของโรงพยาบาลสาวให้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งที่เป็นสิริมงคลที่สุดเนี่ยนะ ได้แก่ได้แก่ธรรมะนะธรรมะนี่เราถือว่าเป็นพรประเสริฐคำว่าพอเนี่ยเราอาจจะนึกถึงอายุวันลนะสุขภาระนะแต่ที่จริงแล้วคําว่าพอเนี่ยมันหมายถึงสิ่งประเสริฐและสําหรับชาวพุทธเนี่ยสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยไม่ใช่อายุไม่ใช่วันลนะไม่ใช่สุขภาระนะแต่คือธรรมะ ธรรมะเนี่ยมีความสำคัญคือเป็นสิ่งประเสริฐสุดก็เพราะว่าสามารถเทียบเท่าให้เราเนี่ยข้ามคนจากความทุกข์ได้มีอายุก็ยังทุกข์นะคนแก่มีอายุยืนก็คงทราบดีแล้วว่าการมีอายุยืนเนี่ยมันก็เจือไปด้ยความทุกข์มีคุณมีคุณยายคนหนึ่งเนี่ยอายุ90ปีแล้ว พอถึงวันเกิดลูกหลานก็มาบริพารขอให้มีอายุยืนคุณยายก็บอกว่าไม่ไหวแล้วเผลอรับพรมาหลายปนะีมารู้ว่าโอนอาการใอายุยืนนี่มันทุกข์เหลือเกินนะไม่ขอรับแล้วนะคุณคุณยายท่านแกอยู่มาหลอยปีแต่นะทั้งทุกข์นะครับเพราะว่าสังขารที่ไม่อำนวยแล้ว มีวันนะ่ะมีผิวพรรณของใสมีกำลังงบชาวที่ก็ทุกนะฮะทุกเพราะความพราลาสูญเสียทุกเพราะว่าอาจจะยังรวยไม่พอหรืออาจจะทุกเพราะว่าคนอื่นเขามีหน้ามีตามากกว่าเรามีเงินก็ทุกนะฮะได้จะมีเงินร้อยล้านพันล้านหรือหมื่นล้านก็เพราะว่าอกหัก บ, บ้าง คนร่างกายจากว่านั้นอายุวันนัสสุขภัลละเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทอนที่ประเสริฐที่สุดในทางพุทธศาสนาสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสุดเต่นแท้จริงเนี่ยคือธรรมาเลยเพราะธรรมะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จิตใจ เมื่อเรามีการเป็นแปลงที่จิตใจแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะได้โชคหรือว่าแม้ว่าจะเจอเคราบก็ไม่ทําให้เราคลาดเคลื่อนออกจากวิถีทางแห่งความสุขหรือความสมบูรได้ถ้าไม่มีทรรบ้านนะฮรแม้ได้เงินถูกหวยร้อยรับอันไลนก็ถูกเมื่อสองปีก่อนมี คนหนึ่งเนี่ยเป็นพ่อค้าเล่แก่ถูกหวยแลยปฏิบัตที่หนึ่งยี่สิบลาทขึ้นพาดหัวนักสืถไทยรักตัวใหญ่ๆหน้าหนึ่งนะหนึ่งเดือนต่อมาปรากฏว่าพาดหัวอีกแล้วแต่เป็นพาดหัวว่าพ่อค้าเล่คนนี้แกส้ยาพิษค่าตัวตาย ทำไมทำไมถึเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามีเงินมากแล้วเนี่ยนะใครๆก็มาขอขอก็ให้แต่ให้ก็ไม่พอใจมีบางลายโทรมาขู่ฆ่าจะฆ่าให้ตายทั้งหัวทั้งเมียเครีคยดมากไม่นึกว่าจะเจอแบบนี้ก็นะเลยคิดสั้นปินยาฆ่าตัวตาย เพื่อลูกสามัช่วยไทั้เสร็จแล้วกก็เลยให้สคัญพันสิบิว่าให้ตอนเป็นพ่อค้าหาเรเ่อเนี่ยหาชาวกินข้างมีความสุขเป็นไหนๆกู <c oughs> มีเงินเยอะแต่ว่าถ้าทำาจไม่ถูกฟังัจไม่เก็นบางทีการมีเงินเยอะเนี่ย อาจจะทำอาจจะกลายเป็นทุขละล้าเกิดฆ่าตัวตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องธรรมะเป็นสิ่งสําคัญเป็นพอ่อตัดประเสริฐที่สุดกว่าอายุวันณสุขาภาระชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองที่สัมเพราะอย่างที่ธรรมะว่ามีห้าหอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ยังทุกได้มีห้าหกอย่างนี้แล้วก็ยังฆ่าตัวตายได้แต่ถ้ามีธรรมะแล้วเนี่ย แม้จะป่วยแม้จะมีเงินทองไม่มากแม้จะไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายแต่มีความสุขจิตใจผ่องใสหน้าตาเบิบานดังนันในโอกาสที่เรากํำลังจะมาน้อมนับสิ่งที่เป็นสีมงคลเนี่ยจยากจะให้ทุกท่านได้เปิดใจกว้าง น, น้อมรับเอาธรรมะในฐานะที่เป็นพรสูงสุด เพราะธรรมะนี่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราทุกวันนี้เนี่ยเราไปขอให้เกิดสิ่งดีๆในชีวิตเราอธิษฐานขอใเกิดสิ่งดีๆในชีวิตมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติความสำเร็จแต่ว่าสิ่งดีๆในชีวิตเนี่ยมันมีความหมายน้อยถ้าจิตใจเราไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดสิ่งดีๆในติตใจเนี่ยนะเราจะมีความสุขตอนที่พรเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยอัตมาเกิดมานานคำว่าพอในพุทธศาสนาที่ประเสริฐที่สุดคือธรรมะและธรรมะที่สําคัญที่สุดในพุทธศาสนาเนี่ยทุกท่านทราบไหมคคือธรรมะเรื่องอะไร ผู้เจ้าตรัส ว, ว่าในบรรดารอยเท้าของสัตว์ทั้งปวงเนี่ยรอยเท้าช้างใหญ่และครอบครุยรอยเทา้าสัมพันธทั้งหมดฉันใดก็ฉันนั้นในบรรดาธรรมะทั้งหลายธรรมะข้อที่ใหญ่ที่สุดที่ครอบครุ่ธรรมะทั้งปวงในพุทธศาสนาธรรมะนั้นชื่อว่า อัปปามาทธรรมคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทที่ถือเป็นธรรมที่สําคัญที่สุดในแง่ที่ว่าครอบคลุมทั้งหลายทั้งปวงที่พระุทธเจ้าได้สอนธรรมะที่พระองค์ได้สอนนั้นได้มันรวมอยู่ในคําว่าอัปปามาทธรรมคือความไม่ประมาทดนั้นความไม่ประมาทนี่ยนะเป็นสิ่งสําคัญมากนะ ที่พวกเราชาวพุทธเนี่ยควรจะได้สลกตัางฟังและในวันนี้เนี่ยอาตมาอยากจะมาพูดอยากจะขอมอบธรรมะประเสริฐข้อนี้ให้แก่ทุกท่านในความที่เป็นสิริมงคลเพื่อให้จิตใจเนี่ยได้เกิดความตื่นรู้เกิดความตระหนักไม่ประมาททีนี้อะไรที่จะทำให้ คนเราเนี่ยเกิดความไม่ประมาทนะสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนเราเกิดความไม่ประมาทก็คือสติเมื่อมีสติแล้วเนี่ยก็จะเกิดความรู้ตัวไม่เผลอไม่พลายไ ม, ลไม่หลงไม่ไหลไม่รุ้หลงและสติเนี่ยนะข้อหนึ่งนะซึ่งสําคัญมา ก, กคือมรรสสติ คือการเราเึกถึงความตายเวลาพูดถึงความตายเนี่ยเรามักจะกลัวกันนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยความตายไม่น่ากลัวนะสิ่งที่น่ากลัวคือความกลัวตายนะต่างกันนะความตายไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวต่างหากคือความกลัวตาย ถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องความตายอย่างดีพอเราจะสามารถชนะความตายได้หัวข้อการบรรยายวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ชื่อเรื่องมรรคสตินะแต่ชื่อเรื่องเหนือความตายเหนือความตายการเอาชนะความตายเนี่ยเป็นยอดปรารถนาของทุกท่าน แต่ว่าการเอาชนะความตายเราจะทําด้วยวิธีไหนด้วยการที่หายาหาทเทคโนโลยีการแพทยมาเพื่อที่จะยือชีวิตเราให้ยาวที่สุดอันนั้นจะใช่หรือเปล่าหรือเมื่อมีวิธีอื่นที่ดีกว่านั้นในการที่จะทําให้เราพอาชนะความตายได้ในทางศาสนานี่ยวิธีเอาชนะความตายคือว่การที่ยกจิตการที่เราเนี่ยยกจิต จนกระทั่งไม่สามารถที่จะจนทั้งความความตายเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เราเกิดความหวั่นไหวได้ยกจิตจนะุฬาไม่เกิดความหวั่นไหวต่อความตายไม่เห็นความตายเป็นศัรตรูต่อไปแต่เห็นความตายนะเป็นมิตร ชนิดที่สามารถที่จะสดตาความตายได้โดยจิตใจไม่สะเทือนสถทานอัตมาเชื่อนี่คือสิ่งที่ทุกท่านต้องการคือเราสามารถที่จะสดตาและก็ยิ้มรับความตายได้โดยไม่หวั่นกลัวและสามารถใช้ประโยชน์จากความตายในทางที่จะ ทำให้ชีวิตและจิตใจเจริญององามได้ถ้าเราเข้าใจว่ามันมีหนทางที่จะเอาชนะหรืออยูนเหนือนความตายได้เรจาจะมองความตายในแง่ที่เป็นมุมใหม่มากขึ้นหลายๆคน มาที่นี่มาฟังอัตมาพูดอาจจะเกิดความสงสัยว่าทำไมเรามาพูดเรื่องความตายในช่วงเวลาแบบนีนะ้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยอย่างที่อรตมาบอกคือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่จะช่วยทำให้เราได้รับสิ่งประเสริฐที่สุดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่นา่ากลัว มีคนหนึ่งพูดไว้เป็นนักิยศาสตร์นะแต่พูดว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่ากลัวเช่นความมืดความมืดมันน่ากลัวเพราะเรายังไม่รู้เพราะเรายังไม่เข้าใจแต่พอเราเข้าใจเช่นเราไปเราอยู่ในที่ที่นั่นนานอาจจะมาอยู่ในป่าเนี่ย มันมืดสนิทไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเมื่อตอนไปอยู่ใหม่ๆก็กลัวแต่ไปอยู่ไปอยู่ไปเราคุ้นเคยเรารู้จักป่าดีเรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมันกลัวเราทิ้งกว่าเรากลัวมันนะและจริงๆแล้วในป่าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีทีสารอนะไ พอเราเกิดความรู้ความเข้าใจแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่กลัวป่าอีกต่อไปไม่กลัวความมืดในยามค่ำคืนเวลาอยู่คนเดียวในป่าอันนี้เพราะเราเกิดความเข้าใจความตายก็เช่นเดียวกันนะความตายเรากลัวเพราะเราไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยความตายจะไม่ใช่วิกฤต แต่จะเป็นโอกาสนะมันความตายเนี่ยเมื่อเราร ล, ลึกนึกถึงเนี่ยถ้าเราลึลกนึกถึงเป็นนะเราก็จะเกิดความเกิดความรู้สึกว่าเกิดความรู้สึกเพราะที่ปล่อยวางทุกวันนี้คนเราเนี่ยยึดติดในสิ่งต่างๆมากมาย เราคิดว่าเราจะอยู่ไปไม่หีตายเราสนุกสนานเราสะสมเงินทองเราสะสมชื่อเสียงทรัพย์สมบัติเหมือนกับว่าเราจะอยู่คำฟ้าแล้วเราก็ทุกไปกับการสะสมทรัพย์สมบัติเงินหายก็ทุกเงินได้มาไม่พอก็ทุกชื่อเสียงความสําเร็จก็เช่นเดียวกันเราพยายามแสวงหาอยากให้คนรู้จักเรา ในจังหวัดรู้จักเราในจังหวัดเราก็ไม่พอให้รู้จักในระดับประเทศหรือระดับโลกเราเป็นสอจ้องมีความสุขประเดียวประด๋ก็อยากเป็นศอสเป็นสอสอยากเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นนายกเป็นนายกก็อยางเป็นไปเรื่อยๆหรอยากจะเป็นผู้นาระดับโลกทั้งหมดนี่เราแสวงหาไปเสมมติว่าเราจะหนึ่งคำฟ้า แต่เมื่อไรก็ตามที่เราจะหนักว่าสักวันหนึ่งเราต้องจากไปไอ้ความทุกข์ความเหนื่อยไอ้ความยึดติดในสิ่งเหล่านี้มันจะคลายไปเยอะเพราะเรารู้ว่าของพวกนี้มันไม่เที่ยงบางทีเราทะเลาะกับคน เราโกรธเราเปลี่ยนนะเราเก็บความโกรธความเปลี่ยนเอาไว้แต่พอเราเมื่อแต่ก็ตามที่เราตระหนักว่าสักวันหนึ่งเรากับเขาก็ต้องตายจากกันมันจะเกิดความสุขนนขึ้นมาหรือว่าไม่รู้จะโกรธกันไปทำไมนะ <c oughs> มันช่วยทำให้เราปล่อยวางได้ ทำให้ช่วยทำให้จิตใจเราเบาสบายมากขึ้นมีพระเถระท่านหนึ่งท่านเขียนกรอกไว้น่าสนใจนะท่านบอกว่าท่าเขียว่าเรารึกถึงความตายสบายนักมันหักลักถักลงในสงสารมันทอมืดโมหันอันตรการทำให้หายหายสะรุ้ไปดูใจ แล้วถึงความตายสบายนะทำไมถึงสบายก็เพราะว่ามันหกักลักหักหลบคือมันทาให้ปล่อยวางได้หกัหกลัหกหกัหกหลบในสงสาราสงสารในที่หมายถึงสังสารวัฏนะสังสารวัฏคือการเวเกิดเป็นตายบรรเทามืดโมหันตันการความมือ่อความโมหันต์มันบรรเทาไปเยอะทําให้หานทำให้กล้าหานไม่สะดุ้งไม่ดุ้งใจเจอนึกถึงความตายแรู้สึก เพราะนักสกติเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ต้องระลึกอยูเสมอระลึกว่าอย่างไรนะ้รางระลึกว่าหนึ่งเราต้องเราต้องคิดเราต้องตายแค่นี้ก็หนักแล้วที่มันหนักตอนนั้นคือว่าเราไม่รู้ว่าจะตายเมืออ่อไหรถ้าเรารู้ว่าเราจะตายเมื่ อ, อไรเนี่ยเราวางแผนชีวิตได้เราวางแผนว่าจบหมายเท่าไรยี่สิบสามสิบเรามีรถเรามีบ้านสี่สิบเรามีลูก ห้าสิบเรามีหลานนะหกสิบเราเป็นอธิบดีเป็นสอสออะไรก็ได้เจ็ดสิบเราค่อยมีการไปเที่ยวไปเมืองนอกนะเราจะได้ไปราต้อนวิลล์ยอร์กหรือว่ามาเกาตามที่เราทำกันแล้วแปดสิบเราก็เตรียมตัวเข้าวัดปัญหาคือว่าเราไม่สามารถจะ ก, กำหนดแบบนี้ได้เพราะความตายมาเมื่อไหร่เราไม่รู้ ชาติหน้าอาจจะมาก่อนวันพรุ่งนี้ก็ได้ลองนักดูดีๆนะครับชาติหน้าอาจจะมาถึงก่อนวันพรุ่งนี้ก็ได้สำหรับหลายคนไม่จะไม่อยู่อวันพรุ่งนี้แล้วเพราะชาติหน้าจะมาถึงก่อนอาจจะประสบอุบัติเหตุอาจจะเป็นกระใจวายอาจจะไหลาตายคืนนี้หรือว่าอาจจะ อ, อยู่ดีก็ลมหัวใจหยุดเต้น ตอนเช้ามืนก็ได้ชาติหน้าสามารถจะมาถึงก่อนวันพรุ่งนี้นี่คือความไม่แน่นอนของชีวิตถ้าตางความแน่นอนความแน่นอนคือต้องตายแต่ความไม่แน่นอนคือว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้พอคิดช่นนี้ก็กลัวสิแต่ในทางบูาเราไมเราไม่ได้คิดช่นนี้เพื่อให้กลัวแต่เพื่อให้ถามตัวเองว่าถ้าว่าเราจะต้องตายในวันนี้วันพรุ่ง หรือว่าตายเดือนหน้าเราพร้อมหรื อ, อยังถามใจตัวเองวเราพร้อมหรื อ, อยังเราได้ทำหน้าที่ครบถ้วนหรื อ, อยังถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เราได้ทำอะไรเพื่อลูกขึ้นหลานของเราหรื อ, อยังเราได้ให้ใหการศึกษาให้ความรู้หรือว่าฝากฝังเขาหรื อ, อยังหรือจริงๆนั่นคือเราทำความดี พอหรือยังเรามีเรื่องอะไ ร, รข้างคานใจที่ทำให้เราไม่สามารถจะตายสงบได้หรือเปล่าหรือว่าเราพร้อมจะตายได้ทุกเวลาเพราะว่าหน้าที่ในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเราทาเสร็จแล้วความดีเราก็ได้ทำจตกรงทังเราไม่วิตกเรามั่นใจในบุญกุศลเราพร้อมที่จะ ไปได้ทุกเมื่อเพราะเราเชื่อมั่นว่าความดีที่เราได้ทําบุญกุศลที่เราได้สะสมนั้นจะทําให้เราตายสงบได้สมกับที่พุทธเจ้าตรัสว่าบุญย่อมทําให้ประสบสุขในยามสิ้นชีวิตสำคัญมากนะบุญย่อมทําให้มีความสุขหรือประสบสุขในยามสิ้นชีวิตเนี่ยหมายความว่าบุญที่มีความสําคัญมากและหมายความว่าในยามสิ้นชีวิตนะเราสามารถมีความสุขได้ สุตายอย่างสุขได้ตายอย่างสมบได้ไม่เป็นไปได้อย่างไรแต่ผู้เจ้ารับนองมันเป็นไปได้และประสบการณ์ของอาตมาและของหลายๆท่านก็คงจะเห็นเลยว่าคนเราเนี่ยตายอย่างสมบมีตายได้และตายอย่งสงบเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะฮะเพราะว่าเงินทอง ความรู้ปริญญาชื่อเสียงไม่สามารถจะทำไม่สามารถจะเป็นหลักประกันว่าเราจะตายอย่างสงบได้และทำไม่คิดว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมีความฝ่ฝันในชีวิตต่างๆมากมายอยากได้เงิน อ, อยากได้ทองอยากได้ชื่อเสียงสัพสมบัติแต่ถึงเวลาตอนที่เราใกล้จะตายเนี่ยเราตืรู้เลย ว, ว่าของพวกนี้ไม่มีความหมาย สิ่งเดียวที่เราต้องการคือตายอย่างสงบแต่การตายอย่างสงบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเรียกหาได้มันเป็นสิ่งที่ต้องทำเตรียมฝึกสะสมด้วยตนเอง ไม่มีใครทาให้เราได้นะ้พวเขาจะรักเราแค่ไหนก็ตามจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นภรรยาสามเขาอยากช่วยเราเตที่แต่เขาก็ช่วยเราไม่ได้ในตอนนั้นเขาอาจจะช่วยได้ในเรื่องของการหาเงินหาโรงเียาบานหาแพทย์แต่จะช่วยเราตายสงบนั้นทําไม่ได้นี่ยังมีคนเดียวที่ทําได้คือเราแล้วเราจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราได้ใช้ชีวิต ไปในทางที่ดีงามสร้างุสร้างกุศลแล้วก็ได้ฝึกฝ น, น, นจิตใจดูสเสมอละการทําบุญทำกุศลเนี่ยการทําความดีเนี่ยมันเป็นหลักประการอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราประสบกับความสุขเมื่อสิ้นชีวิตได้เนีมรณะสติเนี่ยมันมันจะมีมันจะช่วยเนี่ยมันช่วยทําให้เราไม่ประมาท เราทวันนี้เนี่ยเราอยู่กันแบบลื้ตายอยู่แบบดืงตายจี่งนั่นคือเราไม่เชื่อเราจะตายแต่พอใครพูดเรื่องความตายขึ้นมาก็จะไม่พอใจหาว่าเขามาพูดในสิ่งที่เป็นอัิมงคลเพราะอะไรเพราะว่าไม่อยากนึกถึงพอรูก้ ก, ก็กลัวก็เลยอยู่แบบใช้ชีวิตแบบ เรื่องสนุกทำให้ใจไม่ต้องไปคิดเรื่องนี้ทำให้ใจมันวุ่นไม่ต้องไปคิดเรื่องนี้แต่ถึงไม่คิดเรื่องนี้ในที่สุดก็ต้องคิดจนได้เมื่อไปงานศพเมื่อคนรักที่เราคนที่เรารักคนจากไปแล้วก็เสียววาดอยู่ลึกๆว่าเมื่อไรจะถึงคราวของเราจะทำไง ก็ไม่อยากคิดก็เลยพยายามทําตัวให้อุ่นเปิดเพลงมันดังๆฟังเปิดโทรทัศน์ทั้งวันคุยโทรศัพท์กับเพื่อนทํางานให้มันรุ่นจะได้ไม่ต้องคิดเทุกวันนี้เราหนีปัญหาแต่ลรานี้ไม่พ้นนะนีปราชญ์คนก็บอกว่าในเมื่อความตายมันคอยเราอยู่ทุกที่ทางวิธีที่ฉลาดที่สุดก็คือ เตรียมตัวพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับมันในทุกโอกาสและเมื่อเราพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับมันในทุกโอกาสมันจะไม่น่ากลัวเราจะสบตากับความตายได้ด้วยใจที่สงบเพราะนะ้รพรเราพร้อมแล้วเพราะเราพร้อมแล้วเพราะเราทําใจได้ดีแล้ว พรเราได้ทําในสิ่งที่สมควรทําแล้วและขณะเดียวกันเราก็พร้อมจะปล่อยวางด้วยถ้าจะพูดอย่างสรุปนะมรณะสติเนี่ยหรือการะระลึกวความตาเนี่ยมันมีประโยชน์สองอย่างนะอันที่หนึ่งคือมันทําให้เราโค้นขวาในสิ่งที่เราชอบผัดผ่อนเพเรา ม, มีสิ่งสำคัญหลายอย่างที่เราชอบผัดผ่อนนะฮะบางคน ยังเป็นยังหุ่มังแน่นนะก็ขอสนุกก่อนนะอย่างดูอาไวทีหลังบางคนดีหน่อยเพยยี้ยนคำแข็ ง, ขงในการทํา ง, งานแต่ว่าไม่มีเวลากับครอบครัวไม่มีเวลาให้กับแม่กระทั่งกับพ่อแม่นะไม่มีเวลาแม่กระทั่งให้กับผู้ที่มีพระคุณที่อุตสาหเลี้ยงเราจนโตอาจจะเป็นยญาเป็นยาย หลายคนนะเสียใจมาบอ ก, กอาตมาเสียใจว่ามารู้สึกว่าตัวเองพลาดไปก็ต่อเมื่อถ้าเรานันได้จากไปแล้วก็มาเสียใจร้องห่มร้องไห้เป็นความสุขผิดที่ฝังใจว่าตอนที่เขาตายเนี่ยไม่มีเวลาได้อยู่กับเขาหรือตอนที่เขาเจ็บหนักเนี่ยไม่ไม่มีเวลาที่จะ ใส่ใจเพราะท่าที่ตอนเด็กเนี่เขาสาวดูแลเขา ท, ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะว่าผักผ่อนเนี่ยผัดผ่อนแล้วเออเอาไว้เดือนหน้าก็ได้เอาไว้ปีนหน้าก็ได้แต่ว่าความตายไม่ขอไม่คอยใครบางทีเข้ามาช้ามาก็ะชากชีวิตขอ ง, อของคนที่เราลั่งไปโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันจะให้เวลาเขาเพอเราชอบผักผ่อนเนี่ย แต่ถ้าเราเลือกถึงควางตายเสมอเนี่ยเราก็จะเราก็จะรู้ว่าผักผ่อนไม่ได้ถ้าเรามีเวลาเรารีบไปทันทีหรือถึงแม้ไม่มีเวลาเราก็พยายามหาเวลาเพื่อที่จะให้เวลา给他เขาว่าคนนั้นจะเป็นรูปแ่าคนั้นจะเป็นพ่อแม่มีพิธีกรบางคนเนี่ยตั้งเป้าว่ามืดมืดว่าจะทํางานเนี่ยยี่สิบปีนะ จะหาเงินให้ให้ได้เยอะๆเพื่อจะได้เอามาดูแลเอามาเป็นพอมีเงินแล้วก็จะได้มาเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่แล้วก็เลี้ยงลูกทํางานเต็มที่นะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเครียดสุดท้ายเป็นมะเร็งทําได้แค่สิบปีเป็นมะเร็งก็กลายเป็นว่าไอ้ที่ตั้งใจว่าจะทําให้เต็มที่ยี่ิบปีก็ไม่ได้ทําไอ้ที่ตั้งใจว่าหลับอย่างยี่สิบปีแล้วจะมีอะไรให้กับลูกแล้วพ่อแม่ก็ไม่มีโอกาส และพิธีกรคนนี้ก็เขีนความในใจเลยบอกว่าถ้าหากเามีเวลาเพิ่มขึ้นมากกว่า น, นี้เขาจะขอเวลานั้นอยู่กับลูกเพราะว่าไม่มีเวลาอยู่กับลูกเลยจนถึงลูกโตสิบสิบกับาขวบเป็นไัรุ่นทำไมเป็นเช่นนั้นก็เพราะเาลืมไปแล้วว่าใครต้องตายเขาลืมไปว่าเขาจะตายเมื่อไหร่ก็ไดนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ทำให้เ้าผัดผ่อนนะท่านี่เราที่พันอ น, นี่ไม่ใช่เรื่องการให้เวลากับคขที่เรารักเท่านั้นนะเราบางทีเราผัดผ่อนเรื่องสุขภาพเราผัดผ่อเรื่องการทําบุญทำกุศลเราพักผ่อนเรื่องการปฏิบัติทางการฝึกจิตฝึกใจเราคิดว่าเออเอาไว้แก่แล้วเคยเข้าวักันล้วกันนะแต่ว่าเราลืมไป ว, ว่าเราจะไม่ได้แก่ก็ได้ ถ้าเราคุณขวายนะไม่ขัดขอนเนี่ยไม่เอาเวลาไปกับงานกับการไม่ไม่เอาเวลาไปกับการดูโทรทัศน์ดูละครหรือเที่ยวเล่นอย่างเดียวเราก็จะให้เวลากับสิ่งอื่ที่สําคัญเราจะไม่ขัดขอนต่อไปนีประการที่หนึ่งประการที่สองคือว่ามันช่วยทําให้เราปล่อยวางในสิ่งที่เราชอบยึดติดสิ่งที่เราชื่นชอดยึดติดในมีเยอะมากและ สังเกตนะฮะลองสังเกตดูดีไอ้ที่เราทุกข์เราทุกข์เนี่ยเพราะเราไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นและสิ่งที่เรายึดติดไม่ได้ม่ได้ยึดติดในสิ่งที่ดีๆอย่างเดียวนะฮะเราไม่ได้ยึดติดเรื่องเงินทองชื่อเสียงคนรักทรัพย์สมบัติอย่างเดียวเรายึดติดสิ่งที่ไม่ดีด้วยความโกรธความแค้นความผิดหวังหลายคนนอนไม่หลับเพราะโกรธหลายคนนอนไม่หลับเพราะเครียด สิ่งนะไรมันดีที่ไหนแต่ทำไมเราไม่ปล่อยเราไม่วางนะเราเครียดเราทุกข์กับความล้มเหลวใน่ดีเราทุกข์กับความเงินที่หายไปเงินหายไปพันนึก็ยังเอาเจ็บเอามาคิดนะไม่ต้อพคด้นถึงคนกลางที่ตายจากไปความโกรธความแค้นเรายึดติดหมดนะฮะเราไม่ยึดติดแต่สิ่งที่ดีอยูๆๆ่เรายึดติดสิ่งที่ไม่ดี ความตายมันช่อทําให้เราปล่อยวางได้นะได้ง่ายขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นทรัพย์สมบัติชื่อเสียงหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีเช่นความโกรธความแค้นเร า, เราลองนึกดูครับถ้าเราโกรธแค้นใครสักคนแล้วเราคึดว่าถ้าเท่าตอนนั้นเราจะตายเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะไปสู่ทุกขเตลนะฮะ เราจะไปนรกเลยได้เวลาเราโกรธใครสักคนเวลาเราแค้นอย่างสักคนหรือแม่แม้แต่เราห่วงทรัพย์สมบัติอะไรทรัพย์สมบัติก็ตามเนี่ยถ้าตายตอนนั้นมันมันตายไม่ดีน ะ, ะเป็นทุกข์กติเราอย่าไปนึกว่าคนไร้ตายนี่ตายดีเราอย่าไปนึกว่าคนที่คนที่อยู่ดีนอนแล้วก็ตายไปเลยที่อย่าไปคิดว่าก็ตายดีนะฮะเพราะเราไม่รู้ว่าตอนที่ก็ตายเขาคิดอะไรเขาฝันอะไร เขาาจจะฝังเนคนที่เขาเกลียดเขายะเป็นคนที่เขาโกรธเขาาจจะนึกเสียดายทรัพย์ของเขาที่กำลังถูกยึดแล้วเขาก็ตกใจแล้วเขาก็ตายไม่ใช่ตายดีนะฮะถึงได้ว่าในสายตาคนข้างนอกว่าโอเ้เขาหลับตายเขาตายโดยไม่รู้สึกตัวแต่ในพุทธศาสนานั่นคือไปสู่ทุกขตินะฮะอาจจะมีนรกเป็นที่หมายก็ได้ข้อใจเป็นอุปสงค์ใจมีความโกรธความเครียด แม้การทั้งการนึกพวงหาทรัพสมบัติก็อาจจะพาไปสู่ตายที่ไม่ดีได้ในสมุทธการเนี่ยมีพระรูปหนึ่งท่า น, นได้จีวอใหม่มาในสมุทตการเนี่ยการได้จีวอใหม่เนี่ยคือสิ่งที่ประเสริฐสุดแล้วเพราะหายยากสมัยนี้จีวอไม่มีความหมายแล้วต้องโทรศัพท์มือถือหรือว่าเครื่องกล้องถา่ายรูปดิจิตอลใช่มครับแต่สมัยก่อนแค่ แค่ดีวอรเนี่ยก็ดีแล้วเพราะฉะนจริงมีกระเพงเนี่ยถวายผ้าป่าถวายผ้ามังสุกุลถวายผ้ากรถินเพราะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่พระในสมกวรจะมีได้เพราะไม่งั้นต้องไปเก็บจากศพนะครับคือผ้ามังซุกุลมังซุกุลคือเปื้อนฝุ่นเปื้อนฝุ่นคือมันเป็นผ้าขอศพเนี่ยะสมัยท่านผ้าหายากเพราะว่าเนี่ยพอท่านได้ผ้ามาท่านก็ดีใจแต่ไม่ทันได้ใช้นะท่านก็มรณภาแต่ตอนที่มรผ้าเนี่ยท่านนึกห่วงห่วงอลัย ข้าผืนนั้นบอกว่าตายไปแล้วท่านเป็นเลนนะฮะไปก่อนที่จีวอผู้เจ้าเนี่ยท่านรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยปกติทำเนียมพระเนี่ยก็ต้องเอาจีวอเนี่ยของคนตายเนี่ยไปแจกจ่ายให้แก่ผู้เที่ยงอยู่จะเป็นจีวอนจะเป็นบริขารในะ แ, แ, ตแต่เช่นบ่ายก็แจกจ่ายให้แก่ผู้เที่ยงอยู่แต่ผู้เจ้าบอกว่าจีวอนผืนนี้เก็บไว้ก่อนอย่าไปแจะต้อง เพราะอะไระเพราะว่าเลนมันยังอยู่นี่ะแล้วก็เลนมันยังหวงจีวรถ้าตึกใครไปไปจับไปต้องจีวรเลนมันจะโกรธแล้วหรือเลนมันก็จะไปสู่ทุกติก็ก่อให้เลนตายมายในเวันพอเลนตายเจ ว, วันผ่านไปก็ผู้จ่าตรเลยเอาจีวรนนะั้นถวายให้กับพระที่สมควรจะได้รับเนีส mm ็จ hmm. แ, แล้วเลนตายไปไนหะก็ไปสู่สวรรค์ไปสู่ทุกติเพราะว่าได้ทําความดีวไว้ตอนที่เป็นพระ อันน้เตัวอย่างว่าคนเราก็ไปยึดติดแล้วเนี่ยนะถ้าตายตอนนั้นเนี่ยทุกข์นะไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงมีธรรมเนียมใช่ไหมว่าเวลาเราเวลาจะตายเนี่ยนะต้องปล่อยวางหมดเลยทราบสมบัติแม้กระทั่งคนรักเนะพื่อจะไปสู่สุคติปล่อยวางแม้กระทั่งสวรรค์นะเพื่อจะได้อันจะไปถึงนิพพานเลยนี่ถ้าเราถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยนะเราก็จะไม่ไม่ไปยึดเราก็จะไม่ไปยึดติดแล้วเราจะฝึกการปล่อยวาง แล้วความยึดติดเนี่ยมันเราไปยึดติดได้หลายเรื่องเดี๋ยวแตา่มาจะพูดต่อไปนะว่ า, วามีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่กระสับกระสายกระสับกส่ายเวลาป่วยเพราะเขายังปล่อยวางไม่ได้ในบางเรื่องบางคนปล่อยวางไม่ได้เรื่องลูกบางคนปล่อยวางไม่ได้เรื่องเรื่องร่างกายของตัวเองบางคนปล่อยวางไม่ได้เรื่องของวิชาวิชาอาคมที่ตัวได้นนเรียนมาถ้ามีเวลาแต่มาจะพูดต่อนตอนท้ายถ้าถ้าเราเรืถึงเรื่คนตายสมมตนี่เราจะ เห็นคุณ ข, าขการปล่อยวางแล้วเราจะพยายามทีม่จะฝึกการปล่อยวางอเสมอก่อนนอนเราจะพิจารณาถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราในวันนี้วันพรุ่งหรือปีหน้าเดือนหน้าแล้วเราก็จะถามตัวเองว่าเราทําความดีอหรือย่างเราได้ทําสิ่งุกปรกทางหรือยังแล้วเราเพร้อมจะปล่อยวางหรือยัง ปอยวางเรื่องสรัพสมบัติป่อยวางเรื่องสิ่งต่างๆแม้ก่งป่อยวางเรื่องคนรักหรือรลูกของเราเพราะถ้าปล่อยไม่ได้นะฮะตายก็ไม่เป็นสุขนะมีลายหนึ่งนะแต่ตายเป็นผู้หญิงน ะ, ะมีลูกอยู่สามคนคนเลกเนี่ยู้ยุสิบ ข, ขวบและเป็นมะเร็งตัวตัวคนตัวคนตั ว, ตวค น, วค น, วคนที่เป็นแม่ตายตอนสามทุ่มนะฮะ วันรุ่งขึ้นกาโมงเช้าตาเพิ่งไม่ปิดเลยตายังไม่ปิดเลยพยาบาลแล้วก็พี่สาวพยายามที่จะปิดตาตาก็ลืมนั่นแหละก็พี่สาวก็นึกขึ้นมาได้ว่าอาจจะเขาคือนึกขึ้นมาได้ว่าเข้อายังหวงลูกเพราะว่าก็มีลูกอยู่สามคนสองคนแรกเนี่ยติดยา ก็ติดคุบอะไรต่างๆตามเรื่องเพเป็นรายรุ่นคนสุดท้องเนี่ยอยูสิบขวนะแม่คงจะแม่รักมากแล้วคงเป็นห่วงว่าลูกคนสุดท้องเนี่ยก็อาจจะเสียคนเลยกับลูกสองคนนะคนที่เป็นที่สาวเนี่ยที่เป็นป้าเนี่ยของเด็กก็เลยจุดธูปแล้วก็บอกคนที่พูดตายว่าอย่าได้เป็นห่วงลูกนะจะดูแลลูกให้ ไม่ต้องเป็นห่หหวงขอยไปดีพอจุทูตเสร็จก็ปิดตาใหม่เพราะก็ติดตาได้เหมือนกับว่าเขาพอเหมือนกับเหมือนกับว่าหมดห่วงแล้วหมดห่วงไอ้ถ้าเรายัมีห่วงอยู่นะฮะเรายังเป็นคนชอบยึดอยู่เรื่อยๆยึ ด, ดอยู่เรื่อยๆเนี่ยไม่รู้จะปล่อยสักทีเนี่ย ถ้าเกิดเรียนเป็นปลายตายตอนนั้นอย่างที่ตายไเป็นสุขนะฮะฉนั้นที่การตายอย่างเป็นสุขเนี่ยเป็นสิทธิของเราความตายเป็นหน้าที่ของทุกคนนะฮะแต่ว่าหน้าที่มันตามด้วยสิทธิคือสิทธิที่จะตายอย่างสงบได้เราทุกคนตายอย่างสงบได้ถ้าเรารู้จักวิธีและวิธีนั้นก็มีสองอย่างหนึ่งทำสิ่งที่สมควรทา จนแล้วเสร็จไม่มีอะไรที่เป็นห่วงสองสามารถที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะรักษารักแค่ไหนห่วงแสงลมเท่าไหร่ถึงเวลาปล่อยวางได้ดันั้นเราละสติเนี่ยมันมันมันมันมีประโยชน์ตรงนี้มันคือวิธีทางในการที่จะทำให้เราเนี่ยหนึ่งสามารถที่จะ สบตายตามตายแด้เมื่อวันนั้นมาถึงและทำให้เราพร้อมที่จะไปอย่างสง์และเป็นสุดสองในณะที่ยังไม่ตายเนี่ยมันก็ทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างอยู่อย่างอยู่อย่างโปรง่งบางมากขึ้นมีชีวิตมีชีวิตอยู่อย่างไม่รุ่มหลงมัวเมาเพราะฉะนี้เรื่อง มรณสติมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเตรียมตัวสําหรับวันสุดท้ายของชีวิตเท่านั้นแต่มันมีประโยชน์สาหรับการที่จะช่วยทําให้เรานับแต่นี้ไปเนี่ยสามารถที่จะดําเนินชีวิตได้อย่างสบายได้อย่างเบาเวลาของหายเวลาเสียใจพราะประสบกับสิ่งที่ไม่สมปรารถนาเอาเงินหายก็ได้นะครับหรือว่าถูกคนตำหนิ พอเราถึางความตายเมื่อไหร่เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าอเงินแค่ร้อยสองร้อยบาทที่หายคิดจอยมาเพราะเมื่อถึงวันนั้นคุณจะเสียทุกอย่างไม่ใช่แค่เงินไม่ใช่แค่ทองไม่ใช่แค่เพไม่ใช่แค่บา้านไม่ใช่แค่รถยนทุกอย่างคุณมีล้านก็สียมดละก็เสียทั้งหมดเสียทั้งร้านคุณมีส10บล้านคุณก็เสียทั้งสิบล้านคุณมีร้อยล้านคุณก็เสียทั้งสิบล้านทั้งร้อยล้านอย่าว่าแต่เงินร้อยบาท หรือพันบาทเนี่ยไอาคิดแบบนี้มันทําให้เราเสียไอ้ร้อยบาทหรือพันบาทที่มาหายไปมันจิบจ้อยมากมันปล่อยวางได้ทันทีหรือไม่ได้แล้วขณเดียวกันเนี่ยไอ้คาตําหนิต่างๆที่เขาที่เขาที่เราเป็นทุกข์กับมันเนี่ยพอเรารู้นอะไรเสวนาต้องตายเนี่ยคําตําหนิเนี่ยว่ามันมันทุกข์แค่ไหนก็สู้ความทุกข์เวลาเรายาตายไม่ได้เราปล่อยวางได้ง่ายเหมือนกันนะฮะ แต่ทุวนี้เราปล่อยวางได้ยากเพราะเราคิดว่าเราจะอยู่คำฟ้าไม่มีตายนะมีคนนึงเนี่ยจะโทรศัพท์ถือหายก็ไปหาหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อท่านเก่งนะนั่งทางไในเลยให้หลวงพ่อ่ออนนานั่งทางไห น, นให้ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อท่านไม่ถามไรยี่ห้ออะไรหายที่ไหนเวลาอะไรท่านถามว่ามีทองไหมมีครับเอออิกไม่นานก็ไป มีบ้านน ะ, ะมันมีมีบ้านนะมีครับอีกไม่นานก็านเหมือนกันมีแฟนนะมีครับอีกไม่นาก็ไปเหมือนกันพอรู้แค่นีท้ท่านชายหนุมคนนั้นนี็กราบพระแล้วก็ลาลยนะครับไม่ใช่โกรธสุกแช่งนะัแต่ได้คิดเลยว่าโทรศัพท์คุณหายนี่ยังน้อยเพรต่อไปต้องเจอมากกว่า น, นี้ มันคือสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยงไม่ควรยึดติ ด, ตดควรจะรู้จักปล่อยวางว่าและความตายเพราะรนสติก็ทำทันทีนี้คือเตือนใจให้เราเข้าใจถึงความจริงของชีวิตแล้วก็เป็นบททดสอบมันทำใหเรามองทุกอย่างเป็นบททดสอบเงินหายก็เป็นบททดสอบบททดสอบว่าคุณทําใจได้ไหมถ้าคุณทําใจแค่นี้คุณทําไม่ได้แล้วเจือนหนักกว่นี้คุณจะทำใจได้อย่างไร มันกลายเป็นของดีไปเลยนะเงินหายเจ็บป่วยทูกคนตทำหนีแทนที่จะกลายเป็นเรื่องทุกข์นะกับกลายเป็นของดีคือเป็นเครื่องทดสอบว่าเราพร้อมหรือยังเราสอบได้ไหมถ้าเราสอบตกคือทุกข์ถ้าเราสอบตกนะัหมายความคือถ้าเราทุกข์นะเราจะแน่ใจได้ไหมว่าถึงเวลาสอบไล่เราจะสอบได้ เพาะขนาดสอบย่อยสอบสอบซ้อมนี่คุณยังตกเลยไอความตายนี่คือสอบสอบไล่นะฮะมันจะไล่คุณไล่คุณหมายถว่าจะพาคุณขึ้นชั้นไปสู่สวรรค์สุปติหรือพาคุณลงนรกอยู่ที่ตรงนี้สอบไล่สอบซ้อมสอบย่อยเนี่ยคุณยังสอบตกเลยแล้วสอบไล่จะผ่านได้อย่างไรและสอบไล่มุณสอบได้ไม่มีไม่มีไม่มีแก้ตัวนะะสอบเป็นชั้นแก้ตัวได้สอบสมัครงานแก้ตัวได้ นะไม่ได้ H A P นี่ปีหน้ายงได้นะฮะแต่ว่าสอบตายนี่มันเป็นสอบได้สอบไล่ครั้งเดียวนะคือตกก็ตกเลยไม่มีการซ้อมแล้วเนี่ยเราจะเราจะมองถ้าเราหนักตรงนี้นะฮะเราจะมองสิ่งต่งตางๆที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เคยมองว่ามันไม่ดีมันไม่สมหวังเงินหายเจ็บป่วยถูกตำหนิประสบความล้มเหลว เราจะมองในมุมใหมายว่าโอ้นี่คือสัญญาณเตือนว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงสิ่งทั้งปวงนั้นไม่อาจจะเป็นไปตามใจเราเสมอไปแล้วสองมันเป็นเครื่องทดสอบเราว่าวันนี้เราพร้อมหรือยังเราสอบผ่านไหมถ้าเราสอบไม่ผ่านเราจะแยกก็ได้นะมันแต่ถ้าเราสอบผ่านก็แสดงว่าเร า, เรามีภูมิคุ้มกันมากขึ้นดังนั้น่นุมาคิวเนี่ย คอยมองคอยมองเหตุการณ์ที่ไม่สมปรารถนาที่ไม่ควรปรารถนาเนี่ยอย่ามองว่าเป็นเคราะหนะให้มองว่าให้เป็นเป็นโชคเป็นของดีขึ้นหนึ่งเป็นสัญญาณเตือนถึงอนิจจังของชีวิตถึงความไม่เทีย่ยงสองเป็นบททดสอบเพื่อฝึกให้เรามีความเข้มแข็งอดทนกล้าหาญฉลาดมีปัญญามากขึ้น อ, อันนี้แหละฮะถ้าเราทํานี้ได้เนี่ยเราจะ สามารถชนะความตายได้คือไม่กลัวไม่หวั่นไหวเมื่อความตายมาถึงนะทั้งหมดีอยู่ที่ใจเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราอยู่ที่ใจคราะที่ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะเราก็สามารถที่ช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นให้เลยเพราะเวลาที่เขาเจ็บเขาป่วยนะเราก็สามารถช่วยได้สิ่งทีาายย่จะมาอยากจะมา เพิ่มเติมนะฮะคือเมื่อเราเตรียมตัวเราดีแล้วเนี่ยต่อไปเราก็สามารถช่วยคนอื่ได้โดยเฉพาะเวลาที่คนที่เรารักนี่เขาเจ็บเขาป่วยเขาอยู่ในระยะสุดท้ายเนี่ยเราก็จะสามารถดับไปเขาได้ประสบกับับความสุขความสงบได้ซึ่งอนนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับทุกคนไม่ใช่เฉพาะพยาบาลเพราะว่าทุกคนเนี่ย เราต้อมาชื่อยเลยว่าในขณะนี้ในวันนี้ในเวลานี้คง ม, มีคนที่เรารักหรือคนที่เราเคารพหรือเป็นญาติเนี่ยจะป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หายหรือกำลังอยู่นในระยะสุดท้ายของชีวิตคำถามคือเราจะช่วยเขา อ, อย่างไรปราจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแพทย์พยาบาลเท่านั้นหรือหรือว่าเราสามารถช่วยคนได้เพราอย่าลืมนะฮะว่าคนเราเวลาป่วยเนี่ยเขาไม่ได้ป่วยกายเขาป่วยใจด้วย และบางทีการป่วยใจเนี่ยมันทําความทุกข์ให้แก่เขามากอความป่วยกายมีคนนึงเนี่ยเป็นคนป่วยนะอันนี้อาจารย์นี่เกิดเป็นทิสิติลาตัวเซีดเลอไม่มีเลือดไม่มีแรงเป็นผู้ชายต้องใช้รถเข็นนะพยาบาลก็เข็นมาเข็นเพลมามาให้อาจารย์ประเบเป็นรถสีซึ่งน่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิต ตัวที่มันีเรื่องไม่มีแนนรงนอาจารย์รเวเนี่ยท่านก็ไปสักสถามคนไข้สักถามสักพักท่านก็พูดกับล้วสาตแพทย์ที่มามาช่วยสุบงานว่าไม่มีอะไรหรอกนะก็เป็นพิยาบนะเดี๋ยวให้ยาแก้ยาถ่ายพิยาบ ก, กินก็จะดีวันดีคืนผู้จบอ่านมามองคนไข้ คนไข้แกรู้ขึ้นมาเลยนะแกบอกว่าถ้าหมอเห็นว่าถ้าหมอบอกว่ามันง่ายแบบนี้ผมก็เไม่ต้องใช้เตียงแล้วนะวันละก็เขียนเตียงออกออ ก, ออกไปเกิดอะไรขึ้นนะคนซึ่งไม่มีเรื่องไม่มีแรงเนี่ยแต่พอได้ยินหมอพูดเท่านั้นนหะกลับมีเรื่องมีแรงและอะไรเพียงแค่เป็นพยากรณ์ที่ทำไมถึงไม่มีเรื่องไม่มีแรงเป็นเพราะร่างกายไม่ไม่มีเรื่องไม่มีแรงรนะ่างกายมีแรงนะแต่ใจเนียใจ ใจมันนึกว่าฉันคงเป็นมะเร็งแล้วบ้างฉันคงเป็นโรคร้ายแล้วบ้างเลยไม่มีแรงเลยแต่พอคือพอทีอ่หมอบอกว่าโอแค่เป็นพยานั่นแหละเรียกแรงกลับมาเลยที่จริงเรียกแรงมีอยู่แล้วฮะแต่ใจไม่สู้นไงฮะใจมันกลัวลเราคงในในประสบการณ์างกพยาบาลแล้วคงเจอแบบนี้อยู่บ่อยๆคือคนที่จริงๆไม่มีอะไรร่างกายไม่มีอะไรบ้างแต่ใจนี่ฮะไม่ไหวบางคนเนี่ย เดินไปหาหมอสบายๆแต่พอหมอบอกว่าเป็นคุณเด็นมะเร็ง น, นะไม่มีแรงนะฮะไม่มีแรงเล ย, ะเลยอะไรทําให้ไม่มีแรงนะร่างกายนะาง ก, ายก็ยังไหวก็ยังเดินหาไปหาหมอได้แต่ปัจจัยทุกขึ้นมาเนี่ยมันทําให้สุดเลยนอนไม่หลับร่างกายลายผอม บางคนเนี่ย ท, ที่ที่หมู่บ้านมีเพื่อนมาไลฟ์ฟังว่าไปหาหมอนะก็ป่วยอยู่หลายวันนะก็ยังก็ยังยิ่งยันแจกสาได้อยู่แต่สุดท้ายหมอมาบอกความจริงว่าเป็นมะเร็งจะอยู่ได้อีกสามเดือนบอกว่าสิบสองวันเท่านั้นนะตายอะไรทำให้ตายมะเร็ง หรือว่าใจที่หมดหวงังใจที่ไม่สู้ใจที่ทุกข์นะดัง น, นั้นเราบอกว่าคนเวลาป่วย เ, ยเขาไม่ได้ป่วยกายเขาป่วยใจและการป่วยใจมันทําให้ทุกข์ยิ่งกว่ายิ่งกว่าโรคที่เป็นซีอนะีและตรงนี้ฮะเป็นสิ่งที่แพทย์ที่รักหรือคนหรือญาติเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญรวมทั้งตัวคนไข้ด้วยดังนั้นสิ่งที่อาตมาอยากจะให้ความสําคัญเนี่ยเวลาพูดเรื่องความตายแล้วเนี่ย วิธีเอาชนะความตายอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะสําสหรับมันไม่ใช่เฉพาะสำหรับคนที่ยังปกติธรรมดายอยู่แต่ว่าสําคัญมากสาหรับคนที่ใกล้าตายจะทํางานให้เขาสามารถที่จะเอาชนะความตายได้คือตาจสงบ น, น ะ, ะอาจารย์ตมาเนี่ยก็อยากจะมาพูดในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะเพื่อเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติสําหรับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลเป็นญาติหรืเป็นผู้ป่วยเองนะ การช่วยเหลือทางจิตใจกับผู้ป่วยสุดท้ายนะอันแรกเลยคือการให้ความรักนะะอันนี้อาตมาจ ะ, จะจะจะพูดเป็นขั้นเป็นตอนไปนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยเวลาเขาทุกข์เนี่ยให้ความทุกข์กายบางทีมันกัดจินบ่อนทําบัณฑรร่างกายยิ่งกว่าความทุกข์ใจแล้วคนเวลาป่วยเนี่ยป่วยห น, นักในผู้ป่วยสุดท้าเนี่ยตัวหนึ่งที่กัดก่อนจิตใจคู้ความกลัว กลัวว่าจะตายคนเดียวกลัวว่าจะถูกทอดทิ้งกลัวว่าจะเป็นภาระกลัวว่าจะต้องเจอความทุกข์ทรมานในเวลาสุดท้ายกลัวว่าตายแล้วจะไปไหนไม่รู้ไอ้ความกลัวเหล่านี้เนี่ยฮะมันมีธรรมโอษฐ์อย่างที่ช่วยได้คือความรักคนเราเวลามีความกลัวสักอย่างเนี่ยถ้าก็ได้ความรักนะจากจากคนรอบข้างหรือเพราะจากญาติเนี่ยมันจะช่วยทําให้เขาเนี่ย มีกำลังใจนะกำลังใจสำคัญและกำลังใจนั้นเกิดจากความรักรักแบบไม่มีเงื่อนไขทําให้เขาอบอุ่นใจและตรงนี้เนี่ยมันไม่มียาอะไรจะให้เขาได้นะแต่มันต้องเกิดจากหัวใจหัวใจของญาติหัวใจของแพทย์หัวใจของพยาบาลให้เขามั่นใจว่าเขาไม่ใช่เป็นภาระให้เขามั่นใจว่าเราจะอยู่กับเขาจนวินาทีส ตรงนี้สำคัญและความรักนี่มันต้องมาออกความอดทนอดกลั้นเพราะว่าเขาจะอารมณ์เสียเขาจะโกรธเขาจะเขาจะโมโหเขาจะโกรธโลกเขาจะโกรธเรื่องชะตากรรมเขาจะโกรธคนอื่วว่าทําไมทําไมเขาทำไมคนอื่นถึงสบายแต่ทำไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้คนรู้สึกทุกข์มาก นั้นเขาจะระบายความโกรธใส่คนอื่นใส่คนใกล้แต่ถ้าเรามีความอดทนขกลางนะฮะมันจะช่วยได้นะบางทีเราการให้ความรักที่ไม่ไปต้องพูดคำหวานๆนะเพียงแค่ว่าเราเราถ่ายทอดทางสายตาเราสัมผัสกับเขาอย่างนุ่ม น, นวลมันก็ช่วยทำให้เขาเนี่ยปลุใจได้นะการสัมผัสเขา ที่แขนก็ดีนะที่ลำตัวก็ดีหรือแม้อันนี้ก็ต้องแลวแต่ความเหมะสมด้วยนะฮะจะช่วยทำให้เขาสึกอุ่นใจขึ้นมาได้การช่วยผู้ป่วยยอมรับความตายที่จะมาถึงสำคัญนะฮะพูดคุยเขาอยอมรับความจริงนะการพูดคุยเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องมีวิธีการในการที่จะบอกข่าวร้าย ว่าคุณเป็นมะเร็ง น, นะไม่ใช่อยู่ดีว่าไปบอกว่าคุณเป็นมะเร็งบอกคุณเป็นเองแต่ต้องค่อยค่อยๆพูดค่อยๆซักกับเขานะเพื่อเขายอมรับทาไมถึงต้องให้เขายอมการยอมรับมีประียช์อย่างไรยอมรับเพื่อเขาจะได้รู้ว่าเขามีเวลานรียในรุ่งนี้ไม่นานเพขาได้ศาสางานการที่ข้างค้างเขาจะได้มีเวลาพูดความในใจเขาสามารถจะสั่งเสียได้แล้วก็เปิดโอกาสให้ญาติๆได้พูดจาถึงความในใจของเขา มีการสัพถามที่เหมาะสมสัพถามเพื่อให้เขารู้ว่าเขาพร้อมแค่ไหนสัพถามให้ไอประเมินอารมณ์ประเมินความคาดหวังของเขาประเมินจิตใจขอขประเมินที่ัยของเขาว่าเขาพร้อมจะรับความจริงได้แค่ไหนแล้วก็ประเมินว่าเขามีอะไรที่ยังเป็นหัว ก, กังวลอยู่บ้างจะได้ช่วยกขาในขั้นต่อไปช่วยเขาคลายกับความกังวลคนเราบางครั้งนี้มันไม่สามารถจะย้อนความตาและเพรายมีความหัว ก, กังวลในอะไรบางอย่าง แต่ถ้าเขาคลายความกังวลได้เนี่ยเขาจะายอนย้อความจริตยอรับความตายได้มากขึ้นคลายความกังวลเรื่องรูปคลายความกังวลเรื่อ ง, งานางก็จะอยอรับความตายได้มากขึ้นการช่วยเขาติดต่จดจอจิตใจติดจอสิ่งดีงามจิตใจเป็นปกุศลและวมันเกิดความสุบสิ่งดีงามที่มีสองอย่างัือสิ่งดีงามนอกตัวเช่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระโพธิสัตว์หรือศาสกาที่กขานังถือเช่นพระเจ้าเป็นต้น อย่างที่บอกว่าเคยเราเวลาใกล้ตายเนี่ยมันจะมีความทุกข์ทรมานจากร่างกายเยมาลบกวนจิตใจและนอกจากนั้นเนเี้จะยังมีสิ่งหนึ่งที่คือเราเรียกว่าเป็นเป็นนิมิตคือการย้อนจิตมันย้อนนึกถึงอดีตที่เคยผ่านมานึกถึงกรรมที่เคยทําเอาไว้กรรมที่ไม่ดีที่เคยทําเอาไว้มันก็จะวกนกลับมาตอนนี้แหละมันจะมา ว, วนวนกลรมมาเร็วมากนะฮะบางทีเจ้าตัวเนอืค น, นไม่เห็นแต่เจ้าตัวนี้เห็น ถ้าจิตไม่ตรวจ่อสิ่งที่ดีงาม น, นะจิตก็จะไปจมอยู่กับไอ้สิ่งที่เป็นกรรแในดีที่เป็นทุกข์ที่ทําให้จิตใจนี่แย่ลงหรือจะไปจดจจออยู่กับความเก็บความปวดซึ่งบางทียาเอาเอาไม่อยู่แต่ถ้าเขาเขาจดจ่อสิ่งที่ดีงาม น, นะสิ่งที่ดีงาม น, นอกตัวหรือสิ่งที่ดีงามในตัวเช่นความดีที่เขาได้ทําเขาจะเกิดความสงบจิตใจเป็นกุศลมากขึ้นบางที แค่ให้น้อมนำให้เขาคิดถึงความดีที่เขาได้ทําตอนที่เขาเป็นตอนที่เขาดูแลลูกเสียสละเพื่อลูกหรือทําความดีให้กับาศาสนาก็ทําให้เขาเนี่ยเกิดใจที่เป็นบุญได้เกิดใจที่เป็นกุศลและทําให้เขาหายกระสรับกระส่ายหรือว่ า, าชักชวนให้เขาทำบุญกุศลเพิ่มเติมก็ช่วยได้นะฮะน้อมใจให้ก็ระลึกถึงความดีที่ได้ทำนะ แ, แล้วคนมีความดีทั้งนั้นแม่จะเป็นฆาตกร ก, ก็มีความดีแต่จะเป็นคนที่รักลูกอาจจะเป็นคนที่รักพ่อรักแม่โอกาสที่เป็นโอกาสสุดท้ายที่ทําให้เขาได้นึกถึงสิ่งที่ดีงามจะให้ใจก็เป็นจดจ่อ ย, อยกับสิ่งที่ไม่ดีเพราะน่นจะทําให้เขาตายไม่ดีช่วยปิดปรื่อสิ่งคั้งขาดใจฮะสิ่งค้างขาดใจทําให้คนเราทุรนทุรายอย่างเี่นมาดิอุติยามแม่ที่ ที่ตายไ ม, ม่สงบเพราะว่าเป็นห่วงลูกนะบางคนก็กระสับกระส่ายตั้งแต่ตอนอยังมีชีวิตนะกระสับกระส่ายตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตนะให้ยาเท่าไหร่ก็ไม่ ก, ก็ก็ไม่สามารถระ ง, งับได้พอพยาบาลถามว่าเป็นเป็นเป็นยังไงหรือเขาบอกเขายัางเขายัางยั ง, ยางตายไม่ได้เป็นห่วงลูลูกเขาเนี่ยนะมีคนเอาลับไปเลี้ยง แต่เขาก็ยังห่วงลูกพยาบาลก็รู้วิธีที่จะคุยกับเขาก็บอกว่าให้มั่นใจเธอเพราะว่าลูกเธอเป็นคนเธอก็เป็นคนดีลูกก็เป็นคนดีในงานยังไม่มีใครกล้าที่จะรับลูกไปเลี้ยงหรอกพอผู้หญิงนี้เขาเริ่มคลายใจเริ่มสบายใจเขาบอกความทุกข์เขหายไปแล้หายไปแปเป็นต์แล้วเหลือยี่สิซก็คือว่ายังไม่อยากตายเพราะายังไม่ยังรู้สึกว่า ยังไม่มั่นใจนะแต่พยาบาลได้ผูดให้เขาเห็นว่าเนี่ยเขาได้ทําความดีมาตลอดนะพอพูดอย่างนี้เขา้าเขาเขาเริ่มมั่นใจในความดีที่เขาได้ทําเขาก็ปล่อยวางได้ม <c oughs> ี่บางคนเนี่ยเป็นโรคปอดระยะสุดท้ายเนียอยู่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาก็อาการคล้ายๆคือว่ากระสับกระส่ายมากใช้ยาเท่าไหร่เนี่ยพอให้ไปสักพักสงบได้นิดเดียวเสร็จแล้วก็กระสับกระส่ายใหม่ หมอก็เลยสงสัยคือปากแกก็พูดขยุกขยิบขมุขขมิบขมุขมิบก็ไม่รู้ว่าคมิบเรื่องอะไรลูกเนี่ยก็เฝ้าเฝ้าสังเกตก็จับได้ว่าพูดคํว่าเชียงใหม่เชียงใหม่แต่ก็ไม่เข้าใจว่าไอ้มันหมายถึงอะไรเสแล้วคุยกับหมอสักพักลูกก็เลยอ๋อขึ้นมาว่าเป็นไปได้ไหมว่า แก่ห่วงเพราะว่ามอบล่างเอาไว้อุทิศร่างกายให้แก่โรงพยาบาลที่เชียงใหม่แล้วก็ตอนที่มาอยู่ดุลาก็เลยเป็นห่วงเรื่องนี้หมอก็เลยคุยกับผู้ป่วยว่าไม่ต้องห่วงท่า น, นลงุงนะถ้าหากว่าถ้าตายไปอนะุทิศร่างทางโรงพยาบาลุฬาก็จะรับรับจัดการให้ไม่ต้องห่วง แล้วเพเท่านี้เนี่ยแกก็สงบลงได้นะแล้วต่อไปก็ ก, ก็ตาแดงสนุบการที่เขามีสิ่งค้า่งขาดใจเนี่ยบางทีเขาก็ไปไม่ตายไม่ยอมตายเพราะเยังึดติดอะไรบางอย่างอย่างเช่นเมื่อปีสองปีที่แล้วเนี่ย bdj คนหนึ่งเนี่ยก็อายุไม่มากนะปีที่ก็ป่วยกระตันหันแล้วก็ทําให้เปิดกระดานเป็นม ะ, ะเร็ง น, นะเกล้า ทำงานหนักมาตลอดสิบห้าปีนะสะสมสร้างบ้านเป็นเรือนหอแต่ไม่ทันจะได้แต่งงานกับกับฟก็มาป่วยแลาวกายก็ซึ้อลงไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งมีแต่หัวใจนะที่ทำงานได้หมอก็แปลกใจว่าหัวใจก็แข็งแรงมากเลยไอ้อวัยวส่วนี้มันแย่เหมือนกนะัน แปลกใจวาทำไมเขาถึงยังยังยังไม่ไปปรากฏว่าข้างๆเนี่ยแฟนสามร้องห่มร้องไห้เฝ้าเฝ้าเฝ้าพูดบอกว่าอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปโจ้ยพึ่งไปอย่าพึ่งไปปรากฏว่าแต่พออาการเขาซึ้งจนทำมีทางที่จะฟื้นได้เนี่ย แฟนก็บอกว่าถ้าจะไปก็ไปเถอะไม่อยากทุบตีแล้วพอพูดอย่างนี้หัวใจตึงเลยฮะเขาก็ไปอันนี้ก็เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องที่ทั้งสปิงเขารายงานนะซึ่งอาตมาคิดว่าเป็นไปได้เพราะว่าเขายังยึดติดเพราะว่าแฟนไม่ยมันยังไม่ยอมให้ไปเขาก็เลยติดค้างขาดใจไปไม่ได้แต่พอแฟนปล่อยวางแล้วเขาก็พร้อมจะไปอีกครั้งอันนี้ก็มีควาติดที่ค้างค้างที่เราควรช่วยหรือบางคนเขาก็ เขาก็อยากจะทําบุญเราก็ช่วยทำบุญในเขานะบางคนก็เป็นห่วงลูปบางก็เป็นห่วงห่วงหว ง, วงวิชาคมอย่างที่จะมาพูดมีคนนึงเนี่ยกแกเป็นจะเป็นแก่ก็อันนี้เกิดที่ที่ภาคใต้เนี่ยก็กระสับกระส่ายเหมือนกันทุรนทุรายโรงพยาบาลเนี่ยก็สงสัยว่าเขาเขาเกิดอะไรที่ใ น, นเขาก็ถามลูกก็ไม่ได้ความเแล้วตอน ลูกเขบอกว่าเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นเป็นหมอหมอเวทมนต์เพียบาก็ถามว่าเอวเขาเรียนมาจากไหนเหลยเสรแล้วเพียร์บาก็เลยถามเอวเวทมนต์นี่มีใครสืบต่อหรือยังลูกก็บอกว่ายังไม่มีใครสืบต่อเพบาก็เลยด่ดาว่าสงสัยคงจะเป็เราเหตุนี้กำลังก็เลยถามว่าเนี่ยจะมีใครสืบต่อไหมนะลูกก็เลยบอกว่ามีหลานคุหนที่ ท, ที่ที่สนใจเรื่องนี้ เพียบากกเลยนแนววันนี้ให้ให้ให้ลูกให้หลานเนี่ยไปรับวิชาจากเป็นรับวิชาทําวิธีรับวิชาจากจากคนจะตายทางโทรศัพท์เลยแล้วก็บอกคนไขยวันนี้มีคนรับรับรับวิชาให้พอพอพอคนไขยเขรู้ว่ามีหลานเนี่ยมารับวิชาให้ก็สมบทลงไปได้เหมือนกันนะคอันนี้บางทีก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องมีความละเอียดอ่อนใส่ใจพอเทียบถาม ความคาดหมายใจมคือความโกรธนะความโกรธและความรู้สึกผิดและคนที่เราโกรธบางทีก็เป็นคนใกล้เช่นเป็นลูกหรือเป็นพ่อเป็นแม่การที่เราช่วยเขาสามารถที่จะให้อภัยได้หรือขออโหสิกกับความผิดพลาดที่ได้ทำไป มันก็เป็นช่วยทําปนสิ่งที่ช่วยปลดเครื่องสิ่งคลาดคาใจได้เหมือนกันนะช่วยผู้ป่วยไปายวางสิ่งต่างๆได้นะคนเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนเรากลัวความตายเพราะว่าเรายังความยึดติดอยู่เรากลัวความพัดพลาดในสิ่งที่เรารับแต่ถ้าเราทําให้ความปล่อยวางได้นะเขาจะไปอย่างสงบมีผู้ป่วยหลายคนเลยที่หมอบอกว่าเขาจะตายแบบ ทุลายเพราะว่าขา้อปฏิเสธการรักษาอย่างเช่นมีคนหนึ่งเนียเขาเป็นมันก็เป็นเม็เลตหมดเสร็จแล้วก็พยายามรักษาด้วยวิธีการต่างๆมาแล้วก็รักษาไม่หายเสร็จแล้วเขาก็ว่าเกิดมีปัญหาคือว่าท่อน้ำดีเกิดตันก็มีพิษแล้วก็พิษมันก็แพร่ไปทั่วตับตายก็แย่แกก็บอกว่าในรักษาแล้วพร้อมจะตายที่บ้าน บอกว่าทําไม่รักษาเนี่ยในท่อ น, น้าดีเนี่ยในพิเนี่ยก็จะทำให้ตาแบบทุรนทุรายหรือว่าเพอ้อถ้าให้เพอ้อก็ก็ก็แบบไม่รู้ตัวเลยแต่บอกว่าตลอดเจดวันของผู้ป่วยคนนี้เนี่ยแกรู้ตัวอีวตลอดเลยนะเพราะว่าลูกหลานเนี่ยพี่น้องเนี่ยชวนทําสมาธิชวนสวดมนต์แล้วก็พยายามพูดนําใจให้ปล่อยวาง รวมทั้งเอาพรันตนาจัยไปที่พื้นคือแกก็มีพื้นฐานทางดาปฏิบัติธรรมอยู่บ้างแล้วก็ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยนะแกก็ยังรู้ตัวขณะที่ที่น้องเนี่ยสวดมนต์พันจบสวดมนต์แบบจีนนะฮพันจบแกก็รับรู้อยู่ตลอดแต่ว่าพอสวดไปได้สัก6กร้อยจบเนี่ย ก็เงียบไปยาตกระสงสใส่ก็เปนหัวการกระโบงว่าหมดลมสะแนละ้หมันลมขณะที่สวมดมนต์อยู่นั่นแหละมันก็หลับไปแต่ว่าญาติพี่น้องไม่ตกใจเลยนะฮะก็สวดจนจบครบพันจบถือว่าเป็นของพัาล้่ำคาที่จะให้แกเขาในเวลาสุดท้าย เขาไปอย่างสงบนะเมื่อได้มีอาการประสับกษาส่าทุลมทุรายอยู่เพ้อหรือว่าไม่ลึกตัวอย่างที่หมอพยากรณเลยนี่พวาะเขาได้น้อมใจเลยนะที่สมงบแล้วก็ปล่อยวางและการตายของคนไข้เนี่ยกลับทําให้ลกพี่น้องญาติรวมทั้งแม่เลยเนี่ยมีความคลื่นบิตติมากไม่ได้เสียใจยเท่าไหร่เลยทำไมก็ถึงคลื้นปิติคลื่นบิติเพราะว่าช่วยเขาตายอย่างสงบซึ่งเป็นของขวาญลําค่าที่สุดเท่าที่ คนคนหนึ่งจะจะได้รับได้ความตายไม่ยังเป็นต้องจบลด้วยความเศร้าโศกแต่ความตายจะจลกลงด้วยความความปิติเพราะได้ช่วยให้ผู้ตายนนเนี่ยจากไปยงสงบได้ให้ความตายไม่น่ากลัวนะถ้าเรารู้จักเกี่ยวข้องมันอย่างถูกต้องใหการสร้างบรรยากาศที่เกิดจาความสงบใจสําคัญนะไม่ทะเะหรือร้องไห้แต น, น่าผู้ป่วย ไม่เทียกันว่าใครจะจ่ายค่าโรงพยาบาลไม่เทีงกัว่าใครจะจ่ายค่างานศพหรือว่าจะแบ่งสมบัติกันยังไงต่อนหน้าผู้ป่วยนะฮะชักชวนผู้ป่วยทุกคนทำสมาธิภาวนานะทำวัสวดสวดมนต์ถ้าทําได้ถ้านก็มีใจน้อมนําไปทํานั้นอาลาผู้ป่วยฮนะขอบคุณและชื่นชมความดีของผู้ป่วย เป็นโอกาสสุท้ายถ้าเกิดผู้ป่วยเขอย่งเขาเริ่มจะรู้เขาเริ่มจะหมดความรู้สึกตัวเนี่ยแต่บางที่ว่าสำคัญนะญาติพี่น้องควรได้โอกาสมานั่งยืนหรือนั่งอยู่ข้างเตียงรับตรอกคำอำลาเขาพูดถึงความดีที่เขาได้ทําชื่นชมความดีที่เขาได้ทำํำในขณะที่เขายังสุขภาพดีแล้วก็นําทางเข้าไปทางที่ดีแล้วขอโกรธสิปล่อยวาง จะได้กดขึ้นต่อกันแล้วก็น้อมากให้ถึ่งสิ30 ส, สมิงแล้วมาเือโอกาสสุดท้ายในวินาทีที่เหลืออยู่ไม่กี่วินาทีเนี่ยการที่ได้ได้ทำหรือได้พูดในสาสิเนี่ยช่วยจะช่วยเข้ามานะ บ, บางทีเขารอรอรอสิ่งนี้นะฮีคนหนึ่งเนะี่ยจเป็น คนป่วยก็อายุมา60ึงเจได้พยาบาลก็สังเกตว่าพยาบาลสังเกตภรรยาเนี่ยนั่งซึม อ, อยู่ข้างเตียงผู้ป่วยก็เลยถามเกิดอะไรขึ้นพยาพยาก็บอกว่าเสียใจยที่ไม่ได้พูดบอกรักเขาแต่ขณที่ก็ยังมีชีวิตแต่ขณที่ก็ยังปกติอยู่ แล้วมาถึงตอนที่เาขาโคม่าแล้วไม่รู้สึกตัวร็เสียใจที่ไม่ได้พูดคหนี้กับเขาพยาบาลกบอกว่ายัางไม่สายหรอกนะให้พูดกับเขาเหมือนกับเขายัางรู้สึกตัวได้เะรัจแล้วพบาลก็เลยให้สอบสามีแปงที่อยู่ัคนเดียวภรยาก็บอกกับสา ม, มีอย่างนี้ว่ารู้สึกขอบคุณ ก็โชคดีที่ได้อยู่กับสามีมาหลายสิบปีอยากจะบอกอยากจะบอกคำหนึ่งว่านะว่ารคุณไม่อใหญ่คุณได้จากไปใช่ผมจะอยู่คุณเ อ, อกว่าจะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีคุณแต่ก็ไี่อให้คุณต้องทุทรมามากกว่านี้อีแล้วถ้าคุณจะไปก็ปขอยไปสงกอย่าได้เป็นห่วงอย่าเป็นห่วงฉันเลย จะพูดทำนองนี้นะพอพูดจบคนไข้ก็หายใจเรือกยาวเยจากไปอย่างสมุบแล้วก็เขาคอยคอยความในใจจากภริยาให้ทนม า, าคิดว่าเนี่ยเนี่ยคือเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นวิธีการเป็นขั้นตอนหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้พวกเราได้รู้จัก เพื่อที่นำไปใช้กับคนที่เรารักและต่อไปก็เลรูกรที่จะใช้กับตัวเองด้วยเพราะว่าโอกาสที่เราจะต้องเป็นผู้ปริยะสุดท้ายเนี่ยมีอยู่สูงมากคนที่ตายแบบปัจจุบนนันทางห่วนมะี1 0เปอรนต้แหละครับ 90% ไม่ได้ตายปบปัจจุบันทางห่วนแต่ใช้เวลาที่ยืดเยือคือเป็นผู้ปริยะสุดท้ายแต่เราคิดว่าถ้าเราพร้อมได้รับฝึก ไอ้ค่ที่ยังมีสุขภาพดีพิจารณาเมตต า, าสติอเสมอทําสิ่งที่ข้างค้างให้แล้วเสร็จทําสิ่งที่สําคัญโดยไม่ผลัดผ่อนและรู้จกักปล่อยวางเรื่อยๆไม่ยึดติดในสิ่งที่มันไม่สมควรยึดติดเมื่อถึงเวลาที่เราเป็นผู้ป่วยเราก็สามารถที่ไปสงบได้ความตายจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ทรมานแต่จะเป็นวิธีทางที่นําให้เรา ไปสงบได้อาจารย์าคิดว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องความตายดีพอการใช้ชีวิตของเราจะเป็นการใช้ชีวิตที่มีคุณค่ามาเวลาแต่ละวันแต่ละวันจะมีคุณค่าเวลาแต่ละนาทีจะมีคุณค่าและด้วยเหตุ น, นี้เนี่ยนะอาจมาคิดว่ามีทําให้เรามองชีวิตในมุมใหม่ปีใหม่จะไม่ใช่เป็นปีที่ใหม่ แต่เพียงแค่การเปลี่ยนปฏิทินแต่จะเป็นจะเป็นปีที่ใหม่เพราะว่าเรามีชีิตใหม่เรามองเรามองชีตในมุมใหม่มากขึ้นเราไม่กลัวความตายเราสามารถที่พาใจอยู่โดยความตายได้และเราจะตระหนักอยู่เสมอว่าการที่เรามีมปีใหม่แต่ละปีเนี่ยบันไดคือการที่เราใกล้ความตายเข้าไปอีกปี ปีใหม่ที่พาที่ที่ปีใหม่ที่เข้ามาอีกหนึ่งปีใหม่ถึงเราใกล้ความตายไ้าาอีกหนึ่งปีแต่การใกล้ความตายอีกหนึ่งปีนั้นจะไม่ทำให้เราทุกข์เลยเรากลับไม่กลัวไม่หวั่นไหวและมองว่าความตายที่ใกล้เข้ า, า ม, มาอีกหนึ่งปีนั้นเป็นสัญญาณเตือนเป็นเครื่องเตือนใจให้เราใช้ชีวิตที่มีอยู่ อย่างมีประโยชน์อย่างมีคุณค่าที่สุดเราจะไม่ปล่อยเวลาทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์เราจะไม่ปล่อยให้ลมหายใจทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์แต่จะใช้ ท, ท, ท, ทุกวินาทีทุกทุกวันอย่างมีคุณค่าและนี่แหละคือการทำให้เกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาแก่เราได้ทำให้เราสามารถเทียบเข้าถึงความสุขและคุณค่าของชีวิตได้ในทุกวันทุกเวลาทุกนาที อาตมาคิดว่านี่คือช้นหมายที่อยากให้ทุกท่านได้เข้าถึงในโอกาสปีใหม่ที่จะมาในไม่กี่วันนี้และก็ขอให้เป็นชุดหมายสาหรับการขับเพื่อนโรงพยาบาลเซาให้ให้เข้าสู่ปีที่15และปีต่อๆไปด้วยความหวังด้วยกําลังใจแล้วก็ด้วยจิตใจที่ชื่นบานตันะ้งอัตรลักษณ์รขรุติการอัตลักษถาแสดงธรรมแต่เพียงเท่านี้ ทุกท่านได้ได้เข้าถึงความดีของชีวิตในลักษณะที่กล่าวมาหากท่านมีอายุมีวรรณะมีสุขภาวะจากการทําความดีก็ค่ยความดีนั้นเป็นพลังเป็นปัจจัยในการที่ให้ได้เข้าถึงธรรมขั้นสูงโดืเฉพาการปล่อยวางที่สามารถที่ทําให้ทุกท่านได้เข้าถึงดิพานซึ่งเป็นความ สงบเย็ยนขั้นสูงสุดขอให้ได้ทุกท่านได้เข้าถึงปรมาภิธรรมเหล่านี้ไม่ช้า ก, ก็เร็วด้วยกันทุกคนทธอ